ไรการอาชีพเขายอยเดินตามรอยบาทพระบงรักศึกาเก้าห้าล้ำทันสมัยเทคโนโลยีปุ่มใจมีที่ข้าเปียนเรียนวิชาจักยิดมัน่นความพอเพียงที่พอสอนไม่ย่อย่อนทั้งใจเรียนเรียนศึกษาเพื่อชีวิต มีคามหมที่เกิดมาขอสัญญาขออนุยาตักใจ่สนเรียนชัางดนตรีเฟ้าเรียนบัญชีคอมพิวเตอร์ร้อมบำรุงทุงอาหารเรียเสื้อผ้าเรียนผาการจัดการผสมผสานสิ่งประดิษฐ์คิดงปรเล ม, มีความรู้เชิงประจักษ์ชนตก่าแา่มีศักดิ์ศรีมีนอบน้อมประสบการณ์อาชีวะพัฒนาการเชิดชูไทย การที่เขา ย, อย้อยเดินตามรอยม า, าส่งงคลีเก้าหนาล้ายันสมัยเทคโนโลยีหุ่นใจนีสีขากียันเตียนวิชาจากยึดมันความพอเพียง ขอสัญญาขออยู่รักนักใจสนเรียนช่างโยนใครสาเรียนบันชีคอมพิวเตอร์สองคอมรุงทรุอาหารเยบเสื้อผ้าเรียบาทานจัดจานงสมผสมสื่ ประจชนชาวทามีศักดิ์ศรีมีนอบนอ้อมประศัก์ตาอาชีวะอครณากามเชิดไป